เลาตีะระฆังทำวัดวัดช้าก็ดีวัดเย็นก็ดีหรือว่าตีะระฆังบินทบาทก็ดีหมาทุกตัวในวัดก็จะหอนตีทีมันก็หอนทีตีห่างก็หอนห่างเลิกตีมันก็หยุดหอนแล้วก็มานั่งเรียกว่ามายืนหอนอยู่ ใ, ใกล้ๆระฆังเลยคนเห็นก็หวัวเลาะ เพราะว่ามันเหมือนกับกดปุ๊บติดปั๊บแต่ที่จริงถ้าพิจารณาให้ดีคนเราก็แบบนี้เหมือนกันมันไม่ใช่เป็นแต่เฉพาะกับมาหรือว่าสัตว์เท่านั้นคนเราเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเช่นได้ยินเสียงคนมาด่า ความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นก็คือโกรธมันเกิดขึ้นทันทีได้ยินปุ๊บโกรธปับ๊บหรือว่าได้ยินปุ๊บ ก, ก็ทุกข์ปั๊บบางทีเสียงบางอย่างก็ทำให้ต้องอยู่เฉยไม่ได้เช่นพอได้ยินเสียงโทรศัพท์คนจำนวนไม่น้อยก็จะขยับทันทีอาจจะวิ่งไปรับทันทีเหมือนกับว่า เสียงนี้มันเป็นตัวกระตุน้นตัวดึงให้คนนี้ต้องวิ่งเข้าไปหามันเป็นอาการที่เรียกว่าได้ยินปุ๊บก็วิ่งตับเลยมันเป็นอัตโนมัติลองสังเกตดูว่าเรามีปฏิกิริยาแบบอัตโนมัติแบบนี้นี่บ่อยไหมมันไม่ใช่แค่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงบางทีใจคิดคิดนึกแค่นั้นแหละ ใจคิดนึกถึงคนที่เราไม่ชอบหน้าก็จะเกิดความรู้สึกทุกข์หรือว่าเกิดความขุนเคืองใจขึ้นมาทันทีแล้วก็โดยไม่รู้ตัวก็อาจจะเกรงอาจจะกำหมัดตัวเกรงหายใจเปลี่ยนไปปฏิกิริยาแบบนี้มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่มันไม่ใช่เกิดขึ้นเองนะ ใจของเราไปทําให้มันเกิดมีขึ้นการที่เราพอตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงหรือว่าใจคิดนึกแล้วเราก็มีปฏิกริยาขึ้นมาทันทีแต่ถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยมันจะมีตัวเวทนาขึ้นมาก่อนตาเห็นรูปอันนี้เราเรียกว่าผัสสะหูได้ยินเสียงใจคิดนึกอันนี้เรียกว่าผัสสะพอผัสสะเกิดขึ้นตามมาทันทีก็คือเวทนา จะเป็นทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็จะสังเกตได้ชัดหน่อยได้ยินเสียงดังเสียงเครื่องจักรเสียงรถแบ็คโฮมันกระหึมอยู่ข้างๆพอได้ยินปุน๊บนี่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นทันทีคือความรู้สึกไม่สบายหูไม่สบายไม่สบายใจแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือตัวอารมณ์อารมณ์ก็คือว่า ความไม่ชอบความคุณเคืองความหงุดหงิดหรือว่าความโกรธอันนี้ถ้าเราเรียกเป็นตามภาษาบาลีก็คือสังขารสังขารในขันธ์ห้าในขันธ์ห้าก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขารตัวนี้ น, นี่หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบวกฝ่ายลบรวมทั้งความอยากความโกรธความเบือ่อ สังขารนี่ในในบาลีมันมีความหมายหลายอย่างเช่นถ้าเราพิจารณาสังขารสัพเพสังขารอนิจจาสังขารในที่นี่มีความหมายทั้งรูปร่างร่างกายของเราแล้วก็จิตใจด้วยแต่ว่าสังขารในขันธ์หานี่เขาจะเจาะจงเฉพาะความนึกคิดหรืออารมณ์ปรุงแต่งแล้วลองสังเกตดูพอตากระทบรูปหูดื่นเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รส หรือว่ามีสิ่งมาสัมผัสกายอันนี้สิ่งมาสัมผัสกายเช่นความร้อนนี่ก็ชัดเลยพอความร้อนมากระทบกับกายเข้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นทันทีแต่ว่าบางอย่างนี่มันไม่ใช่เป็นทุกขเวทนาทางกายแต่เป็นทุกขเวทนาทางใจเช่นได้ยินคําด่าได้ยินคำำนําตําหนิหรือเห็นคนไม่สัมมาคารวะเราหรือว่าทักแล้วไม่ตอบเกิดทุกขเวทนาขึ้นมา แต่ตอนนี้เป็นทุกขเวทนาทุกขเวทนาทางใจเราก็เรียกว่าไม่สบายใจและถ้าปล่อยต่อไปเนี่ยมันก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาตัวสังขารก็จะทํางานทันที ล, ลองสังเกตดูวก็จะมีจังหวะแบบนี้แหละคือพัฒนาเวทนาสังขารและตัวสังขาร น, นี้ก็จะปรุงเป็นความอยากความไม่อยากเช่นเสียงดังจากรถแบ็คโฮอยู่ใกล้ๆเราเกิดทุกขเวทนาขึ้น เกิดความไม่พอใจเกิดความหงุดหงิดเราก็อยากจะให้มันไปทีเมื่อไหร่มันจะไปสักทีนาะหรือมิฉะนั้นเราก็เกิดความอยากที่จะหนีออกจากที่นั้นอยากจะเดินไปไกลๆให้ห่างเสียงพวกนี้หรือเราได้ยินคําตำหนิของใครเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาที่ใจก็เกิดความโกรธความโมโหเกิดพยาบาทขึ้นมาคนนี้แหละก็อยากจะทําร้ายเขาละ อยากจะให้เขาได้รับความทุกข์รู้ว่ามีอันเป็นไปอันนี้เราเรียกว่าตัณหาอันนี้มันเป็นสายเลยนะเราสังเกตดูมันจะเป็นสายผัสสะเวทนาแล้วก็ตัณหาลองสังเกตุดูให้ดีแล้วคนเราส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ว่าจะผัสสะนั่นจะเป็นการรับรู้สิ่งที่เป็นลบหรือเป็นบวกก็ตามเช่นได้รับคำชม ได้ยินคำชมก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาที่ใจแล้วถ้าเป็นคำชมที่อ่อนหวานก็เป็นสุขเวทนาทางกายไปด้วยนะมันนุ่มหูนะแล้วก็เกิดความรู้สึกปิติเกิดความรู้สึกพองโตขึ้นมาเกิดตัณหาอยากได้อยากฟังแบบนี้อีกบางทีก็จําเอาไว้เลยจําเอาไว้ติดตาติดใจกลับไปบ้านแล้วนอนแล้วก็ยังคิดถึงมัน อันนี้ก็อุปาทาแล้วล่ะแลทั้งนี้เนี่ยมันมันปรุงกันเป็นสายฮะแต่ถามว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เสมอไปไหมอันนี้ไม่จำเป็นอาการอย่างนี้เกิดขึ้นได้เมื่อเราไม่มีสติในขั้นผัสสะผัสสะไม่มีสติแล้วก็ไม่มีสติเรื่อยมาพอเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วเกิดสุขเวทนาก็ตามก็ไม่มีสติมันก็ไปเลยปรุงเป็นเรื่องอารมณ์ความรู้สึก ชอบไม่ชอบโกรธคับแค้นแล้วก็ปุุงเป็นปัญหาอันนี้มันเริ่มต้นจากการที่ไม่มีสติแต่ว่าคนเราไม่จำเป็นต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามกระแสะแบบนี้ก็ได้ถ้าเรามีสติขึ้นมาเนี่ยในขั้นผัสสะหรือในขั้นทุกขเวทนาหรือสุขเวทนาก็ตามสบายกายสบายใจหรือว่าทุกกายทุกใจก็ตามพอรู้ มันก็หยุดเท่านั้นนะมันก็ไม่ปรุงเป็นความโกรธความหงุดหงิดมันก็จะไปอีกทางหนึ่งความรู้สึกในคิดของเราก็ไปอีกทางหนึ่งก็คือว่าเออพอรู้เท่าทันพอรู้ทันความทุกความสุขที่เกิดขึ้นที่เราเรียกวเวทนาพอรู้เท่าทันเนี่ยมันไม่ปรุงเป็นความโกรธความขับแค้หรือความโมโหไอ้ตรงนี้แหละมันก็เปิดช่องให้เราพิจารณามันได้เช่น เขาว่าเราเขาตำหนิเราเกิดทุกขเวทนาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเพรมีสติรู้มันก็เปิดช่องให้ปัญญาเข้ามาทํางานได้เช่นเราก็อาจจะมาพิจารณาว่าเออที่เขาพูดอย่างนี้เพราะเขาไม่เข้าใจเรานะเขาถึงพูดอย่างนี้คิดแบบนี้มันคิดได้ถ้าไม่เผลอให้ความโกรธมันเกิดขึ้นมาเสียก่อนแต่ถ้าปล่อยให้ความโกรธความหงุดหงิดเกิดขึ้นมาแล้วนี่มันจะคิดแบบนี้ไม่ได้ จะคิดว่าเออที่เขาพูดอย่างนี้เพราะเขไม่เข้าใจเรานะคิดย่งนี้ไม่ได้หรือว่าจะคิดแบบที่เรียกว่าโยนยิสโสมนานสิการก็คือว่าเออที่เขาพูดมานี้มันน่าคิดไหมมันจริงหรือเปล่าที่เขาตําหนิเราอย่างนี้ลองพิจารณาดูดีๆสิมันอาจจะมีประโยชน์อาจจะทําให้เราได้คิดก็ได้ คือมองว่าคำตาหนินั้นมันมีประโยชน์เราก็ต้องรู้จักเลือกใช้ประโยชน์และพอคิดแบบนี้เข้านะมันก็ไปอีกทางหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกในคิดมันก็ไปอีกทางหนึ่งแทนที่จะปรุงเป็นความโกรธความอยากความอยากจะตอบโต้เขามันก็ไปอีกทางหนึ่งหรือเวลาได้ยินคำชมถ้าไม่มีสติก็ใจก็พองโตนะเกิดความเคลิมแล้วก็ อาจจะรู้สึกอยากจะได้ยินได้ฟังแบบนี้อีกแต่ว่าพอมันเกิดสุขเวทนาขึ้นมาแล้วเรารู้ทันแล้วรู้ทัน ก, ก็เตือนใจว่าเออคำชมวันนี้นะวันนี้เขาชมเราวันนี้ได้คำชมพวกนี้ก็อาจจะได้คำตำหนิหรือถูกตำหนิก็ได้อย่าไปประมาทอย่าไปหลงล้วก็ทำให้เราไม่เคลิมไปกับคำชมนั้นเรียกว่าติดเป็นปกติเป็นอุบเบกขาได้ นี่เราควรเปิดโอกาสให้ใจเราหรือความรู้สึกในคิดของเราออกมาทางนี้บ้างที่ผ่านมานี่เราปล่อยให้ใจเราคิดไปแต่ในรู่เดียวทางเดียวหรือว่าในล่องเดียวก็คือว่าพอได้ยินปุ๊บเกิดภาษาขึ้นมาก็เอาเลยไปทางนี้เลยเวทนาตัณหาอุปาทานเลยไม่ว่าจะได้ฟัง หรือได้ยินสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีแลวถ้าไปทางนี้ไปตันหุปทานเนี่ยอารมณ์ก็จะครอบงาเราตันหาก็จะครอบงาเราได้ยินได้ฟังหรือได้สัมผัสอะไรที่ชอบมันก็อยากจะได้อย่างเดียวอยากจะครอบครองอย่างเดียวอย่างเด็ดสมัยนี้ได้ยินได้เห็นได้กินหรือว่าได้สัมผัสอะไรที่พอสบายใจเกิดความสุขขึ้นมา ก็อยากจะได้อย่างเดียวเลยบอกให้พ่อให้แม่หาซื้อมาให้อะไรต่างๆแบบนี้ไม่เป็นอันทำอะไรนอกจากว่าขอให้ฉันได้มาถ้าไม่ได้มาหรือถ้าไม่มีเงินถ้าพ่อแม่ไม่ให้ก็อาจจะไปขโมยหรือว่าอาจจะไปค้า ย, ยาหรือว่าอาจจะไปขายตัวอันนี้เพราะอารมณ์มันพาไปนะคนเดียวนี้นี่ปล่อยให้อารมณ์พาไปมาก อันนี้เรียกว่าถูกชักจูกด้วยอารมณ์หรือด้วยความรู้สึกเพราะว่าใจนี่มันถูกขีดให้มันไปในล่องนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่เล็กแล้วพ่อแม่เวลาให้เด็กให้เด็กกินอะไรหรือว่าให้เด็กเล่นอะไรก็จะาถามมาสนุกไหมอร่อยไหมแต่ไม่ค่อยได้ถามว่าเออมันเป็นยังไงมันทำงานด้วยอะไร ทำไมมันถึงวิ่งได้ทำไมมันถึงเคลื่อนไหวได้คือไม่ได้กระตุ้นให้เกิดปัญญาแต่ไปไปสนใจแต่เรื่องอารมณ์ความรู้สึกคือชอบไม่ชอบอันนี้เนี่ยการที่เราปล่อยใจให้มันไปตามอารมณ์เนี่ยไปลูนี้ไปล่องเนี่ยอยู่บ่อยๆอยู่บ่อยๆมันก็ทําให้เราเป็นอยู่ด้วยความรู้สึกความรู้สึกในที่นี้ไม่ใช่ความรู้สึกตัวนะแต่แต่หมายถึงอารมณ์ความรู้สึกก็คือความชอบไม่ชอบจะทําอะไรก็เพราะว่า ชอบจะไม่ทําและเพราะไม่ชอบแต่ไม่ได้พิจารณาว่ามันดีไม่ดีไอของบางอย่างไม่ชอบแต่มันดีก็ไม่เอาเช่นเรียนหนังสือหรือกินยากินยามันขมนฉันไม่ชอบฉันไม่เอาอะไรที่ชอบทั้งทั้งที่ไม่ดีก็เอาเพราะว่าไม่ได้ถูกฝึกมาให้ใช้ความคิดแต่ว่าถูกเลี้ยงดูมาหรือถูกฝึกมาเพื่อให้ใช้แต่ความรู้สึกคือปล่อยให้ความรู้สึกมันเกิดขึ้น เวลาตากระทบลูกหูได้ยินเสียงก็ไปทางไปทางด้านความรู้สึกไอ้การทําแบบนี้ก็ทําให้เราเป็นทาตของสิ่งเล้าภายนอกเป็นทาตของลูกรดกลิ่นเสียงสัมผัสถ้าเป็นลูกรดสิ่งกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจก็เป็นสุขถ้าเจอลูกลดกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจก็ทุกข์และชีวิตแบบนี้ก็หาความสุขไม่ได้ตลอดลเราต้องไปอีกทางหนึ่ง นะก็คือการทำให้เวลามีภัสสะขึ้นมานี่ก็ให้มีสติเอาไว้พอามีสติเอาไว้ในขั้นภัสสะหรือในขั้นเวทนาใจามันก็จะไม่แล่นไปทางด้านอารมณ์ความรู้สึกเหมือนเคยพอเรารู้เท่าทันในเวทนาไม่ว่าจะเป็ น, ขขนทุกเวทนาทุกเวทนารู้ทันปัญญามันก็เข้ามารับช่วงต่อได้ไม่ว่าจะได้ยินได้ฟังอะไร ก็เปิดโอกาสให้ใจเราได้พิจารณาไปในทางที่ถูกเวลาเพ้อโกรธขึ้นมาเวลาใครเข้าตําหนิแล้วเราเกิดเพ้อโกรธขึ้นมาแต่ว่าพอรู้ทันความโกรธนั้นสติเข้ามาทํางานได้ทันมันก็เปิดโอกาสให้ได้คิดไปในทางที่เป็นกุศลได้เช่นทาที่จะโกรธว่าทําไมเขาว่าฉันทําไมเขาว่าฉันก็ได้คิดขึ้นมาว่าเออทำไมเราต้องไปทุกข์เพราะลมปากของเขาด้วยไม่เห็นต้องหน้าทุกข์เพราะลมปากของเขาเลย ให้การคิดแบบนี้แหละที่มันช่วยทําให้เราเป็นอยู่ด้วยสติเป็นอยู่ด้วยปัญญามากขึ้นเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ความคิดแบบนี้ที่เรียกว่าโยนิโสมานสิกาหรือการคิดถูกคิดชอบคิดเป็นนี่มันเข้ามาทํางานเพราะเราขุดล่องความคิดเอาไว้ให้มันไปในแนวเดียวมันก็เหมือนความคิดของเราเป็นกระแสก็เหมือนกันน้ําอะถ้ามันมีอยู่ล่องเดียวก็ไปทางนั้นแหละ แล้วเราก็เอาแต่ขยายร่องให้มันกว้างกว้างขึ้นกว้างขึ้นเหมือนกับที่รถแ บ, บค็คโฮนี่เขามาขุดร่องขยายร่องให้มันกว้างขึ้นก็ทําให้มันคิดไปในทางนี้ทางเดียวเอาถึงเวลาแล้วที่เราต้องขุดร่องความคิดให้มันไปอีกทางหนึ่งคือไปในทางฝ่ายกุศลก็โดยการที่เรามีสติมีสติในขั้นภ菩ะมีสติในขั้นเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนา และตรงนี้แหละที่มันจะเปิดช่องให้ปัญญาเข้ามาเปิดช่องให้โยนิโสมนสิการเข้ามาเวลาเจ็บเวลาป่วยแทนที่จะเอาแต่คร่ำครวญทุกเพราะว่าไม่ทันทุกเวทนาพอรู้ทันมันก็ได้คิดขึ้นมาเออไ อ, อ, อ, อ้ที่การเจ็บป่วยนี่มันมันแสดงว่าเราใช้ชีวิตไม่ถูกต้องนะเฮ้เราทำอะไรผิดพลาดบ้างหรือเปล่าเราใช้ชีวิตไม่ถูกต้องตรงไหนบ้างหรือเปล่าใข้ควรขึ้นมาละ ก็ได้ประโยชน์จากความเจ็บความป่วยอย่างที่บอกนะว่าเราเจออะไรก็ตามไม่สําคัญทั้งเพว่าเราเจออย่างไรเจออย่างไรก็หมายความว่าเรามีสติเรามีปัญญาพิจารณาหรือว่าหาประโยชน์จากอาการเหล่านั้นเช่นเวลาเงินหายเงินหายทีแรกก็ทุกข์แต่ว่าถ้าเรามีสติอ่ามันทุกข์ไปได้ไม่นานทันทีนั้นก็จะเกิดไใจคิดขึ้นมาว่าเออเงินหายร้อยบาทก็ ดีกว่าหายพันบาทอพอคิดแบบนี้เขามันก็หายเสียดายก็หายหายทุกบางทีก็อนุโมทนาไปด้วยซ้ําหรือบางคนก็คิดแบบนี้ว่าเออเคยเอาเงินเข้าไปมั้งตอนเด็กเดกฉันอาจจะเคยขโมยเงินเข้าไปมั้งหรือว่าชาติที่แล้วฉันเคยเอาเงินเข้าไปถึงตอนนี้ก็เคยเข้าไปก็ลักกันคิดแบบนี้มันก็หายทุกอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นการคิดแบบโยนิโสมนสิการคือการคิด คิดเป็นคิดชอบคิดแบบเล้ากุศลถ้าเราคิดแบบนี้บ่อยๆมันก็กลายเป็นร่องความคิดอีกร่องหนึ่งทีแรกร่องนี้ก็อาจจะเป็นร่องเล็กๆนะแต่เราคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆคิดบ่อยๆเจอบ่อยๆมีภาษาเกิดขึ้นเกิดเวทนาขึ้นแล้วก็เราได้คิดในเชิงแบบนี้ขึ้นมาบ้างมันก็เหมือนกับว่าร่องความคิดค่อยๆค่อยๆลึกขึ้นค่อยลึกขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นต่อไปมันกลายเป็นร่องใหญ่ความคิดมันก็เหมือนกระแสน้ํา เวลาน้ำมันเปลี่ยนทางก็เพราะเหตุ น, นี้แหละน้ำเปลี่ยนทางก็เพราะว่ามันมีร่องใหม่ที่มันดีกว่าที่มันใหญ่กว่าที่มันลึกกว่าร่องน้ำก็เปลี่ยนทางความคิดของเราก็เหมือนกันมันควรจะต้องเปลี่ยนทางที่แล้วมามันไปทางเดียวเป็นในทางที่เรียกว่าก่อให้เกิดทุกข์ก็คือเกิดพัสดะแล้วก็ไปเวทนาเวทนาแล้วตัณหาอุปทานเลยแล้วก็พบชาติ ชรามรณะอันนี้เรียกว่ากระแสของของความคิดของความรู้สึกนึกคิดของคนทั่วไปที่ไม่มีการศึกษาไม่มีการศึกษาในที่นี้หมายถึงไม่ได้ไม่ใช่หมายถึงเรียนสูงนะแต่หมายถึงว่าไม่ได้ฝึกฝนจิตใจเอาไว้แต่ถ้าเราเป็นผู้ที่มีการปฏิบัติเป็นผู้ที่มีการฝึกฝนจิตใจเราก็จะขุดล่องเราก็จะสร้างร่องหมายให้แก่จิตใจของตัวให้แก่ความคิดของตัวเวลา เกิดภาษาขึ้นมามันก็จะไปอีกล่องหนึ่งเลยก็คือเกิดสติขึ้นมาไม่ว่าจะเกิดทุกขเวทนาสุขเวทนาเอาเลยตอนนี้สติปัญญามารับช่วงการคิดที่เป็นอุสนการคิดที่ถูกต้องมันก็มารับช่วงไม่ว่าจะเจอคําตําหนิไม่ว่าจะเจอคำำําคชมนะไม่ว่าจะสูญเสียเงินหายไม่ว่าจะประสบความพัดพลาดไม่ว่าจะเจ็บจะป่วยหรือไม่ว่าจะได้โชคได้ลาบ มันก็ไม่ไปในทางอากุศลมันก็ไปในทางทางกุศลเพราะว่าเราเราได้คิดขึ้นมาเวลาได้โชคได้ลากก็จะคิดแต่ในแง่ที่ว่าเราจะใช้เงินนี้อย่างไรดีที่จะให้เกิดประโยชน์ไม่ใช่แก่เราเองแต่คนอื่นด้วยไม่ใช่ว่าพอได้อะไรขึ้นมาก็จะเก็บเอาไว้คนเดียวหรือเวลามีคนมาชวนให้เราไปทาอะไรไอ้องคอคิดเดิมก็จะถามว่าทาแล้วฉันจะได้อะไร เดี๋ยวนี้คนจะถามตรงนี้บ่อยทแลัวฉันจะได้อะไรคนอยู่ในร่องนี้นะเหมือนกับชาวบ้านเดี๋ยวนี้เวลาจะจะขุดถนนเวลามีปัญหาเช่นจะซ่อมถนนจะสร้างสะพานก็จะถามขึ้นมาเลยว่าจะได้เงินมาจากไหนออบาตาให้เงินมาหรือเปล่านะรัฐบาลให้เงินมาหรือเปล่าถ้าออบาตาไม่ให้เงินมารัฐบาลไม่ให้เงินมาฉันไม่สร้าง หรือบางทีมีมีครามมีเคยมีคนมาเห็นศาลาของสุกโตนี่แหละสมัยนะั้นก็ยังไม่ได้มีการก่อสร้างแบบนี้ก็มีแต่ก็มีแต่ศาลายกพื้นนะไม่ได้ปูปูไม่ได้เท ป, ปูนด้วยซ้ำคนจากที่ไหนมาถามมาเห็นก็เห็นว่าศาลามันใหญ่ก็เลยถามว่าได้เงินจากที่ไหนมา คือเขาคิดแต่เพียงว่าจะทำแล้วก็ตามมันต้องมีคนอื่นให้เงินมาจะทำเองด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนี่ไม่ได้เันนี้ชาวบ้านคิดแบบนี้คือคิดในแง่มุมเดียวคือว่าจะทำแล้วก็ต่อเมื่อมีคนให้เงินถ้าไม่มีคนให้เงินฉันไม่ทำทั้งที่มีกาลังวังชาอยู่เยอะเดี๋ว น, นี้เราจะเห็นเวลามีการร้องทุกข์ร้องทุกข์ตามโทรทัศน์บางทีก็จะมีคนชาวบ้านรูปร่างกาจม สิบยี่สิบคนมาเรียกร้องรัฐบาลว่าทำไมมาไม่มาช่วยซ่อมสร้างทางทางของในหมู่บ้านของฉันมันย่ำแย่แล้วคือคิดแต่จะพึ่งคนอื่นแต่ไม่ได้คิดจะพึ่งตัวเองอันนี้เป็นล่องความคิดที่จะ่นนิเป็นกันมากรวมทั้งเวลาจะทําอะไรก็จะต้องถามว่าถ้าไม่ถามว่าชำรักั์จะได้แล้วก็จะถามว่าแล้วใครจะให้เงินมาทาแต่ว่าถ้าเรามี่องจะมาเป็นอีกความคิดหนึ่งก็คือว่า แทนที่จะถามว่าทำแล้วฉันจะได้อะไรก็จะถามว่าเออถ้าทําแล้วมันจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมไหมมันจะเกิดประโยชน์ต่อต่อหมู่คณะนะือต่อสังคมหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นวิธีคิดซึ่งเนะี่ยมันก่อให้เกิดกุศลนะคนแต่ก่อนก็คิดแบบนี้กันนะไม่ได้คิดถึงตัวเองแต่คิดถึงส่วนรวมอันนี้เรียกว่าเป็นอยู่ด้วยสติและปัญญาไม่ได้เอาความชอบใจไม่ชอบใจเป็นหลักนะถ้าเราคิดถ้าเรา สร้างทางหรือขุดล่องความคิดให้อีกร่องหนึ่งเป็นร่องที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาก็จะเกิดเราก็จะคิดไปในทางที่เป็นกุศลและการคิดแบบนี้ก็จะทำให้เราเป็นอยู่ด้วยปัญญาไม่ได้เป็นอยู่ด้วยความรู้สึกเราจะไม่เอาความชอบใจไม่ชอบใจเป็นใหญ่แต่เราจะเอาความชอบธรรมจะไม่เอาความถูกใจไม่ถูกใจเป็นใหญ่แต่จะเอาความถูกต้อง ของบางอย่างมันถูกต้องแม้ว่าจะทําให้เกิดทุกขเวทนาก็ต้องทําเช่นนักเรียนเจอการบ้านเนี่ยมันทุกข์เวลาทำแล้วทุกข์แต่ว่าทําแล้วเนี่ยเกิดสติปัญญาขึ้นมานี่คนเราถ้าปล่อยให้ใจมันทําตามความถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยชีวิตมันเจริญไม่ได้นะแต่ถ้าเราเอาความถูกต้องเป็นใหญ่ชีวิตก็จะมีตแต่ความเจริญแต่ก็นี่จะวความถูกต้องเป็นใหญ่ได้ก็ต้อง ฝึกให้ใจเรานะมีสติมีสติเพื่อว่าไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบไม่ว่าจะเจอผัสสะแบบไหนก็ตามก็จะไม่ปล่อยให้ไม่ปล่อยให้ทุกขเวทนาหรือสุขเวทนามันลากไปทางหนึ่งมันลากไปทางตัณหนาอุปาทานแต่ถ้าให้มีสติมากํากับในภัสสะตั้งแต่แรกภัสสะทุกครั้งมีสติทุกครั้งสติเนี่ยก็จะพาใจของเราไปอีกทางหนึ่ง ใหม่ๆ ม, มันก็ต้องใช้ความพยายามนะไม่ปล่อยใจให้ให้ถูกทุกขเวทนามันหรือสุขเวทนามันลากไปในทางอารมณ์ความรู้สึกเพราะว่าเราฝึกตอนมีนิสัยแบบนี้มานานแล้วนะทันทีที่เราได้ยินคำ ว, วิจารแล้วก็โมโหทันทีอันนี้เราเป็นปฏิกิริยาเป็นนิสัยอย่างนี้มานานแล้วสะสมนิสั ย, ยงนี้มานานแล้วนะการที่จะคิดอีกทางหนึ่งรู้สึกอีกทางหนึ่งมันยากแต่ถ้าเราทำํำบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นนิสัยขึ้นมา พอกลายเป็นนิสัยแล้วคราวนี้มันง่ายมันจะเป็นปฏิกิริยาขึ้นมาเองเจออะไรมากระทบก็จะไม่ขําครวนแล้วนแต่ว่าก็จะใครค่ตรองว่ามันมีอะไรที่เป็นประโยชน์บ้าง ม, ม, มีอะไรที่จะต้องแก้ไขบ้างเรียกว่าได้ความรู้ตลอดเวลาเพราเราลองมาสร้างร่องความคิดของเราให้ไปอีกทางหนึ่งบ้าง โดยสายสติเป็นตัวชักนำแล้วก็ให้ปัญญาหรือว่าการรู้จักคิดนเป็นตัวรับช่วงต่อไปอันนี้ก็จะทำให้ชีวิตเราจเจริญถ่ายเดียวนะไม่มีเสื่อม